เทศนาแผนี75ลำับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่าณะคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่1สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่ารักษาใจอย่าให้เผิด วันนี้เป็นวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2อง5รห้าวันก่อนวันที่ส0เป็นวันอาสาหบูชาและก็วันที่ส1เอเป็นวันเข้าพรรษาวันนี้เป็นวัน เ, เข้าพรรษาของพวกเราพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยม ไปไปทำบุญตามวัดต่างๆในช่วงนี้ก็เป็นวันเสาร์อีกวันนี้และก็วันอาทิตย์วันพรุ่งนี้เป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนจะได้ไปทําบุญตามวัดต่างๆวันแรกพวกเราก็ได้ไปทําบุญวัดที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายวัดที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสเป็นต้นตระกูลของเราต่อมาแล้วก็วัน เมื่อวานวันอัศรหาบูชาเป็นวันทำบุญแล้วก็วันเข้าพรรษาเราก็ไปวัดต่างๆแล้วก็วันเสาวันอาทิตยเ์เราก็จะได้ไปกราบครูบาอาจารย์นานทีปีหนปีหนึ่งพวกเราจะได้ไปกราบครูบาอาจารย์ณนะสถานที่ต่างๆวัดต่างๆที่พวกเรารู้จักมักคุ้นที่รักเคารพนับถือเลื่อมใส วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่เข้ามาสู่วัดของหลวงพ่อรู้สึกว่าอบอุ่นนานาหัวเมืองอหลายจังหวัดที่หลวงพ่อได้ถามไถ่ขณะที่บินทบาตก็ได้ถา ม, ถามเมื่อสงสัยก็ได้ถามลูกหลานมาจากไหนลูกหลานก็ได้ตอบว่ามาจาก จังหวัดนู้นจังหวัดนี้รู้สึกว่าทั่วประเทศรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนจัตตาญาติโยมให้ความสนใจต่อคุณงามความดีต่อบุญกุศลหลวงพ่อในฐานะที่พระสงฆ์อยู่เป็นผู้นําเป็นช้างเท้าหน้าพูดง่ายๆนะพระสงฆ์คือช้างเท้าหน้า พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมคือช้างเท้าหลังช้างเท้าหน้าอย่างหลวงพ่อเห็นพี่น้องประชาชนตามหลังมาหลวงพ่อขออปุญนะแต่ตาว่าหลวงพ่อไม่มีใครเดินตามหลังพี่น้องประชาชนหลอมแหลมหลวงพ่อมองเห็นแล้วก็เอ้อพุทธศาสนาเนี่ยจะอยู่นานไ ป, ไปได้สักเท่าไรเนาะนะแต่หลวงพ่อก็วิตกกังวล แต่เห็นลูกเห็นหลานเห็นคณะสัตยาญาติโยมทําบุญ เ, เข้าวัดเข้าสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อของพระพุทธศาสนาของพวกเรากคงจะยั่งยืนยาวนานต่อไปภายภาคหน้านี่แหละหลวงพ่อไม่ได้คิดใกล้นะคณะสัตย า, าญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อคิดไกลทีเดียวแต่ถึงยังไงก็ตามการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่สร้างให้ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ใช่เพื่อใครเพื่อเราทุกคนด้วยกันเมื่อเราทานอาหารเราก็อิ่มเองเมื่อเราออกกำลังกายเราก็ได้กำลังเองเมื่อเราเรียนหนังสือเราก็รู้เองเมื่อเราปฏิบัติธรรมะธรรมะเ ข, เข้าสู่จิตใจของเราจิตใจของเราก็เป็นกุบุญกุศลเองการเผื่อแผ่คนกันนิดหน่อยเมื่อเราเรียนหนังสือได้แล้วเราก็สอนคนอื่น ก็ได้บ้างแต่ถ้าว่าเร า, เราเรียนรู้จริงๆเราก็สอนคนอื่นได้อีกนะนี่ก็เหมือนกันนะะั่นแหะการประกอบคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงกับเพื่อตัวของท่านเองไม่ใช่เพื่อใครอื่นแต่โดยมากคนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอชอบมองคนอื่นชอบอยากจะให้คนอื่น ทำกุนงามความดีและก็ชอบอดูถูกคนอื่นโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดคไกลคิดใกล้ๆแล้วก็บอกออกมาเห็นออกมาแล้วก็พูดออกมาอย่างบางกลุ่มบางหมู่บางคณะบางครั้งก็ว่าพระในพระพุทธศาสนาเนี่ยทำตัวเร็วอย่างนั้นเร็วอย่างนี้แต่ตามไม่จริงบางครั้งมันก็เร็วจริงอย่างที่พวกเขาพูด แต่ก็ไม่น่าจะประนามทั้งหมู่ทั้งคณะทั้งพักทั้งพวกกานประนามอย่างนั้นแปลว่าไม่มองตนเองอตัวเองล่ะคิดดีตลอดอย่างนั้นใช่ไหมคิดมีแต่คุณงามความดีในจิตใจอย่างนั้นใช่ไหมไม่คิดโมโหโกธาให้คนอื่นเลยใช่ไมไม่คิดโลภโกรงเลยอย่างนั้นใช่ไหมถ้าตัวเองยังคิดอยู่ก็ตัวเองก็แสดงว่าตัวเองยังเลวอยู่อ แต่มองคนอื่นอยากจะให้คนอื่นดีแต่ตัวเองก็เลวมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้อยากจะฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านไม่ไว่ายุคใดสมัยใดในครั้งพุทธกาลถ้าหากว่าไม่มีเทวทัตก็คงจะไม่มีตำรามาถึงทุกวันนี้คือมีคนคนเลวนั่นแหละยังมีในพระตรัยปิฎกให้พวกเราได้เห็นมีคนดีอยู่ที่ใดก็ต้องมีเลวอยู่ที่นั่น มีเลวอยู่ในก็มีดีมีชั่วมีดีมีบาปมีบุญมีคุณมีโทษมีนรกมีสวรรค์มีมืดมีแจ้งมีโง่มีฉลาดมันเป็นของคู่กันตั้งแต่สร้างโลกมาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายท่านนึกดูให้ดีแล้วมองดูให้ดีแล้วการจะพูดอะไรออกไปก็พูดด้วยความระมัดระวังอย่าพูดแบบเต็มปากแบบเต็มเป่า อย่างสื่อต่างๆก็เหมือนกันหลวงพ่อว่านะการพูดออกไปโดยที่ว่าไม่ได้มองตนเองเลยเการมองตนเองใช่ไม่ใช่ว่าไม่หนะให้โพูด์นะให้โพรด์แต่ว่าโพรด์บางสิ่งบางอย่างอยู่ดูถูกกันจนทำให้เสียหายมีเจตนาอะไรในจุดนั้นถ้าเจตนาดีก็ไม่ว่ากันถ้าเจตนาที่จะทำร้ายทำร้ายคนอื่นนั่นแหะเจตนาไม่ดี จะเป็นบาปอกุศลเข้าสู่จิตใจของคนคนนั้นอของผู้ที่พูดนั้นตัวเองดีตลอดเลยใช่ไหมไม่เคยคิดชั่วเลยใช่ไหมความว่าดีกับชั่วนะั้รู้ไหมคืออะไรกิเลสภายในใจคนตัวเองได้ชําระจุดจบแล้วหรือยังกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจเราชําระแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้ชําระก็แสดงว่าเรายังมีกิเลสอยูเอ่เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีชั่ว มันอาจจะมีดีในตัวของเราแต่ละคนจริงไหมอันนี้กใ็ให้พวกเราโอปนญิโกใ ห, ให้มองตอนเองนะแต่ตามให้จริงคนเรามันก็ต้องมีดีและมีชั่วในครั้งในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าของเราถ้าเราได้ศึกษาได้อ่านธรรมะทมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ได้จะแยกแยะออก อันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนควรไม่ควรแต่ถึงยังไงก็อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเนี่แหละเป็นคนดีให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดนะีเมื่อเป็นคนดีแล้วน่นะนะนะไปอยู่นสถานที่ใดไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าก็เป็นเทวบุตรเทวดาแต่โดยมากมันไม่ค่อยไม่ค่อยยอมกันนะคนดีกับคนชั่วเนี่ยนะมันดันทุหลังไปของไขของเราเหมือนกันนะ ไอ้คนชั่วถึงไม่ใช่มาธรรมดาเหมือนกันมันก็ดันไปของมันเีกเหมือนกันถึงจะคนดีแนะนำอย่างไงมันก็ไม่ยอมรับนะเพราะมันเป็นความชั่วมาจากสันดอนสันดานมาจากก้นบึ้งของจิตใจมันไม่ใช่ว่าจะปรับปรุงได้ง่ายๆนะความดีนี่นะอย่างพงศ์หลวงพ่อได้อ่านในพระไตรปิฎกมีสองสหายเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรักกัน คนหนึ่งก็าไฟเป็นบันดิตนะแต่คนหนึ่งเป็นภาละชนเป็นคนชั่วพูดง่ายๆอะไรที่มันชั่วขนเขาหมดกินเหล้าเมายาสุรานารีภาชีกีฬาบัตแต่คนนี้ไม่เอามีแต่คณงามความนี้มีแต่สั่งสมบุญกุศลอันไหนคือประโยชน์อันไหนคือสิ่งที่มันดีเนี่ยเราก็ทำแต่ที่ยังไงก็เป็นเพื่อนกันรักกัน เพราะบางสิ่งบางอย่างก็นักเลงก็อย่างว่าอามีความอะไรมีใจนักเลงมีให้เพื่อนให้อย่างเต็มที่ก็ไม่มีอะไรสําหรับเพื่อนรักกันเอเมตตากันเข้าเข้าใจกันถึงจะแต่แกจะชั่วก็เจอข่าเขาเข้าใจไอแต่เพื่อนก็เหมือนกันถึงแกจะดีข่าเขาเข้าใจอผลที่สุดดีกับชั่วเวลาตายไปแล้วนะ่ะมันไปคนละทิศทางกันนะ่นที่ไหน ไอ้คนดีเนะี่ยตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์เป็นเทวบุตรเนะี่อแต่ไอ้คนชัวน่วพอตายไปแล้วเนะ่ะมันกรรมให้ผลยังไงก็ไม่รู้ไปเกิดเป็นตัวหนอนไงเป็นตัวหนอนที่อยู่ในคนที่ไปสมัยก่อนเขาไปส้วมส้วมปล่อยฮะส้วมบ้านส้วมเมืองเขาไปขึ้นไปแล้วไปทายอุจาระลงเป็นฮลงเป็นที่เป็นทางนะี่ยมันไม่ได้ใช่ห้องส้วมซึมอย่างทุกวันนี้ ไม่ได้หัวชักโคกอย่างทุกวันนี่มันเป็นส่วมเป็นทายขึ้นไปขึ้นทำล้านขึ้นไปแล้วก็ทายลงไปในหลุมแปลว่าส่วมบ้านส่วมเมืองอแต่้ี่ก็พอเทวบุตรเท่านั้นก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์พอตายไปแล้ว เ, เพื่อนของเราไปไห น, นเออใครเข้าว่าท่านมีญาษษณทัศนะมีฌานใชม่มีความรู้พิเศษ พิจรารณาลงไปไปเห็นเพื่อนอยู่เป็นหนอนอยู่ในอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในฐานว่าไงอยู่ในซ่วมเอเราจะเอาอยัางไงอจากนั้น เ, เทวบุตรตัวนี้ก็เลยลงไปไปไปถึงยังไงมาอยู่ในซ่วมในฐานก็ยังเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใจของเรามันยังผูกพันกันอยู่ก็เลยเคลียร์ขึ้นมาถามอนอนเออแกทําไมทําความชั่วเห็นไหมมันโทษแห่งความชั่วมันเป็นอย่างนี้นะ่ะเห็นไหม อข้าอยู่บนสวรรค์มีความสุขยิ่งกว่าอะไรแต่ทําไมตาแก่ยังมาเป็นอย่างนี้แนนอนก็เลยถามว่าเป็นไงดูสวรรค์การเป็นอยู่อยนึกคิดเรื่องอะไรเนียึกนึกอยากจะได้กินอะไรอยากจะไปไหนนึกเอของที่ผลหลังไหลามาเลยเอสวยได้ความมีความสุขตามต้องการะออ นอนบอกว่าเออันนั้นต้องในนึกคิดเสีก่อนแต่สําหรับตัวข้าพรเจ้าเองเนี่ยไม่ต้องนึกคิดอยู่ในกับเอนี่เลยเวลาถึงข่าวเขาก็มาเอถ่ายลงมาหรือกินไม่หวัดไม่ไหวแสดงว่าเป็นเทวบุตรต้องในนึกในคิดเสีก่อนอข้าไม่ต้องนึกต้องคิดเนี่ยมันเป็นมาได้เองฮะคนอ่ะเออ มันไม่ใช่ธรรมดานี่ยไอ้ตัวหนอ น, ม, นมันก็คิดมันอีกแนวหนึ่งอีกเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันคนชั่วกับคนดีมันจะมันต้องมีความคิดไปคนละแนวกันอย่างนั้นนะกรัทธาญาจูมลูกหลานเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ดูใจของพวกเราเราจะเป็นคนดีหรือเราจะเป็นคนชั่วหรือเราจะเป็นในลักษณะย่างไงแต่ถึงยังไง ในพรรษาที่ถึงนี่หลวงพ่อมีแต่จะแนะนำให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเพราะหลวงพ่อเป็นนักเป็นนักภาวนาไม่น่าจะพูดไม่น่าจะพูดผิดเพราะหลวงพ่อบวชเข้ามากับครูบาอาจารย์ก็นแนะนำสั่งสอนบอกให้ภาวนาเนอะอันนี้ก็คือเป็นหลักหัวจิตหัวใจท่านไม่ได้เรียนตำรับตำราไม่ได้เหตสาอแสวงหายอย่างอื่นรักษาศีลภาวนาเนอะนี่แหละ รักษาศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวัดศีลจากนั้นให้ภาวนากาทําดูจิตใจของตนเองใ ห, ให้ภาวนากําหนดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารยนะ์หลวงปู่มั่นเราเนอะหลวงปู่มั่นท่านได้สอนให้ภาวนาพทโพธิโตเป็นหลักอันนี้คือสมถะคือทําจิตใจให้สงบติดจิตใจให้เป็นหนึ่งจะเดินเก้า ไปที่ไหนอริยาบทไหนให้มีสติสัมปชัญญะเราจะทำการทำงานกับวีสติในการทำงานถึงจะไม่บริกรรมบริกรรมไม่บริกรรมอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ต้องบริกรรมก็ได้แต่มใีให้มีสติในการทำงาน เ, เดี๋ยวนี้เราคิดอะไรขณะนี้เราทำอะไระต่อไปเราจะทำยังไงมีสติในการทำงานในเมื่อมีสติในการทำงานงานอันนั้นออกมาก็เป็นงานที่ดี เพราะมีสติสัมปชัญญะในการทํางานถ้าจิตใจของเราเลือนเลือนลางๆไปโกรธโมโหโกรธให้กับใครก็ไม่รู้เสียอกเสียใจมาจากที่ไหนก็ไม่รู้น่ะแต่มาทําการทํางานทําผิดผิดถูกถูกขีดขีดยิ่งเป็นกับตัวแรกอีกยิ่งทําไม่ถูกอีกต่างหาเพราะอะไรเพราะจิตใจเขาไม่มีสมาธินะี่เพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิมีความจําเป็นในทุกระดับในการทําการทํางานขับรถก็มีสติ การไปที่ไหนก็นมีสติแต่สําหรับพระสงฆ์ที่บวชมาในพุทธศาสนาก็ให้มีสติสัมปชัญญะในการภาวนา เ, เดินจงกรมกับมีสติอย่าไปคิดไปทางอื่นขณะนี้เราบวชเข้ามา เ, เราบวชเราไม่มาทําหน้าที่อย่างอื่นเราบวชบวชในพุทธศาสนาเราบวชมาเพื่อศึกษาวิชาอีกวิชาหนึ่ง วิชาทางพระพุทธศาสนาเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าคนทั้งหลายยอมรับการทั่วโลกตั้งแต่ดึกตะบันมาจนถึงปัจจุบัน2558ปีเอาเถอะเราจะศึกษาวิชานิรุษิทําไมคนโบราณเขาศึกษามันคงมีดีสักอย่างนะคนโบราณก็จึงนับถือในประเทศชาติของทางชาติไทยของเราทุกระดับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าจูงหัวพระบรมวงศสานุว ง, วงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ ในเมืองไทยของเรานับถือพระพุทธศาสนาต้องมีดีท่านจึงนับถือเพราะฉะนั้นเอาเถอะข้าวไปเจ้าจะศึกษาดูการศึกษาธรรมะปฏิบัติท่านว่าหัวใจหัวใจนั่นคืออะไรหัวใจก็คือจิตตภาวนาเราจะศึกษาเรื่องจิตตภาวนาเนี่แหละเอาข้าวไปเจ้าจะกําหนดดวส้สิในสมเดือนข้าวไปเจ้าไม่ให้มันเผลอเอเอาขนาดนั้นเอะทข้าวไปเจ้าไม่ให้มันเผลอ หรือว่าเอ้าชั่วโมงนี้ข้าไปเจ้าไม่ให้มัน winning. เผลออหรือว่าตั้งนาทีไว้เอาห้าหนาทีในตั้งข้าไปเจ้าไม่ให้มันเผล่ดูสิให้มีสติสัมปชัญญะงอยู่กับตัวเองให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธมีสติอยู่กับการก้าวเดินมีสติอยู่กับตัวเองอได้ไหมฮทดลองดูสิ tha! ถ้ามีสติต่อไปแล้มีสติในหนึ่งนาทีต่อไปกับสองนาทีสมนาที ไปเรื่อเนี่ยต่อไปก็มีสติสัมปชัญญะกูอยู่กับตัวเองจะคิดจะพูดจะทำอะไรมีสติสัมปชัญญะเหมือนกับรถมีเบรกเนี่ยเราจะมีเราจะใช้คันเร่งเราจะให้มันไปมันก็ไปได้พอมันไปแล้วเออมันมีอันตรายแล้วก็มีสติคอบดูแลมันอยู่มีก็มีเบรกในสิ่งที่มันไม่ควรไม่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนี่แหละคนที่ ม, มีทั้งคันเร่งมิทุกคันเบกเมีทั้งพวงมาลัยไปสู่จุดหมายปลายทางได้นะคณะศรัาทธาญาติโยมลูกหลานพระเนนทั้งหลายนะสรุปแล้ว ก, ก็คือให้เป็นคนดีให้ให้ภาวนาที่จะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องภาวนาบังคับจิตใจให้อยู่ในความสงบให้อยู่กับกรรมฐาน ก, กรรมฐา น, รรฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นที่ท่านบอกกล่าวนะให้อยู่กับพทุทโธ พทุพโทพโธพุทโธพุทโธเนี่ยแหละยึดพุทโธเป็นหลักนะถ้าเราทํมมทาสมถะดีแล้วนะเดินวิปัสสนาอย่างไรค่อยมาถามหลวงพ่ออีกหรือว่าได้อ่านตํำรับธรรมราเอาศึกษาไปก็ปฏิบัติไปเลยเดินวิปัสสนาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนนะแต่ถึงอย่างไรอย่าไปใช้วิชาอย่างอื่นนะวิชาออื่นคือเอา โยคะลือศีชีภัยเพ่งกระสง์จักรสินอย่างนู้นอย่างนี้อย่างมีอภินิหารอย่างนู้นอย่างนี้จะมีเล็ดมีเดชอย่างนู้นอย่างนี้อนั้นแหะเป็นห้นทางแห่งวิปลาสเป็นห้นทางเป็นในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นบาส ง, ง่ายๆพูดง่ายๆนะไม่ใช่แนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นนะอย่างนั้นนะให้ละมัดระวังถ้าใครคิดอย่างงั้นทําอย่างงั้นนะต้องมาปรึกษาหลวงพ่อซะก่อนนะหลวงพ่อจะให้คําแนะนํา ว่ามันถูกต้องไม่ถูกต้องพราหลวงพ่อชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อฝากฝากฝังไว้ในในพระพุทธศาสนาเรื่องมีแต่ศึกษาเรื่องจิตภาวนาทั้งนั้นตั้งแต่อยู่กับหลวงปู่ล่าอายุ11อายุ11อย่าง12ปีปีนี้ก็ อ, อายุอายุย่าง71เข้ามาแล้วเนี่ยเป็นอันว่าชีวิตของหลวงพ่อฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่เป็นเวลาถึง58ปปีนะลูกหลานนะ เออห้ปีไห่นานขนาดไหนพอจะรู้เรื่องวิธีการปฏิบัติตามยังไงสมถะที่ปรัชนาทายังไงการประพฤติปฏิบัติตนทํำยังไงสิ่งเหล่านี้แหละหลวงทั้งหลายนี่หลวงพ่อถึงจะไม่ชำนิชำนาญเป็นผู้ฉลาดปาดเปืองก็พอจะรู้แนวทางได้พอจะแนะนําสั่งสอนผ้าลูกผ้าหลานคณะสัทธาญาติโยมให้รู้จักแนวทางได้อันนี้กอไก่นะ เขียนอย่างนี้นะกอไก่นะขอไข่เขียนอย่างนี้นะ เ, เขียนถึงหอนกขูกนะหลวงพ่อก็จะบอกอะไรผสมสระสาร า, อ า, อานอ่านว่าอย่างนี้นะหลวงพ่อก็คงจะพูดได้นะคงจะไม่สอนถึงปริญญาเอกดอกเตอร์แต่ละขแขนงไม่ถึงขนาดนั้นก็เอาเถอะนะหลวงพ่อสอนให้รู้วิธีการปฏิบัติจะเดินทางไปถือจุดจุดหมายปลายทางนั้น เพราะนั้นขอให้พวกเราขาศ้ศราชกาญาติโยมพระเนนลูกหลานทุกองค์หน้าสรุปแล้วก็คือให้ภาวนาในพรรษานี้นะให้เร่งภาวนาในพรรษานี้ให้อยู่ในความสงบในพรรษานี้ให้ศึกษาธรรมะในพรรษานี้ให้ศึกษาแนวพ่อแม่ครูบาอาจารย์โบราณนการที่ท่านนับถือพระพุทธศาสนามานับถือมาด้วยอันใดใพวกเราพวก เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ควรจะศึกษาน ะ, ะศึกษาดูได้ศึกษาปฏิบัติดูให้ดียึดแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนให้ยึดพุทธโทน ะ, ะไม่ให้ใจเผลอไม่ให้เผลอไปที่ไหนนี่แหละให้อยู่กับสติให้อยู่กับตัวเองนะเอให้มากที่สุดนะเพียงแค่นี้แหละหลวงพ่อว่าพวกเราตั้งอกตั้งใจระพฤธปฏิบัติจริงจะเห็นผลนะลูกหลานนะ ถ้ตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตีหน้านะ